ตัดทั้งหลายคือเราตถาคตคือกันเมื่อยังบุษฐนรู้ก็ต้องเป็นไปอย่างสังสนสกอร์ตัดทั้งหลายเหมือนเราตถาคตเหมือนกันตัดทั้งหลายเป็นตถาคตไปกันเป็นเหมือนกันแต่หากบรมเ่นเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าวภ า, าวะวอกุท ธ, ธะเขาสวดมนต์กัน พุทธานุพุทธังสามารถสิรทิฏฐิเหมือกันผู้ตัดสู้ตามพระพุทธเจ้ามีสิละทิฏฐิเสมอกันมีความรู้ความเห็นมีความเข้าใจเลิกละจากขวอมูวได้คือกันกับพระพุทธเจ้าได้เหาว่าได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นสาวกพุทธะบุตรสุดท้ายนี่คนสอนเอาไว้ดี ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้ใจเห็นจะเต็มใจมีย่างเราตถาคตนี้เจ้าเขาบ่เหตามเตาบ่ปฏิบัติตาม แล้วมันจีรู้ยจีเห็นจีเป็นจีมีคือพระพุทธเจ้าได้บอกเขาต้องทำลองเบิง้งปีน ท, งนทุกองพระเนนทุกองอแม่ขาวแม่ดําทุกคนขันที้เกียร์ีดรานแล้วโบมีทางเลยย่าตึงคนปากดอย่าตึงคนเราดูคนทำงานให้มาทำงานมากแล้วก็รูดหนังสือเขาเขียนไว้ก่อน ผนไม่เขียรนรอกผมมาไว้เือคนจริงต้องปฏิบัติดูของจริงคนจริงแค่บ่ปฏิบัติจริงมันก็บอก้าวหน้าแล้วอย่าให้มันถอยหลังการปฏิบัติทรมผมไปเฮ็ดโมทนานเนี่มาซื้อๆกันแล้วเพราะผมมาตึงคนที่กัวบาปอยู่แล้วผมผมย้ายไปตกนรก เป็นเห็นรูปบ้านผมมันแต่งรูปวาดรูปไว้ในสิ้นผมเป็นเนเป็นเด็กน้อยเป็นหน่อยูอย่ในวัดนี่เป็นเนคนไปตกนรกเจ้าโรงพยาบาลเอาโยนไปตกนรกตูมลงไปเอาออกมาจากนรกมาขึ้นต้นไม้ขึ้นไปต้นมีวนะนามท้องหลงเวลาขึ้นมาผัดบะหมี่เตียงขึ้นไปดังเทงพุ้นนามนามีวพัก เขาที่ถอยลงมาม า, มาเพิกัดเป็นอะไรเลือ ก, กัดผมากัดเลือดน้อยด้วยพอดีหมดกรรมหมเวรเอามานอนในเพดเด็กแดงจ้าอยู่มพิบาลเอาควรมาแส้เนี่ยมันเป็นติดสนาเวาให้คนฟังเป็นอะไรเอาควรเล็กคนทอมาตักโต๊ะโต๊ะก็ะคือเขาสักไม้นอนเดืองอะไรบนนัดนี้พอดีมันซื้อได้ด็ประโยชนลมอนันะลกอีกซน่ง ตูงลงไปหอนขึ้นมาบ่นเอาไปขึ้นตรงขึ้นไปเทงพุ่นบ่นเวลาขึ้นน้ำซองลงเวลาลงน้ำซองขึ้นแห้งศพเหล็กศพทองจิกหัวลงไปนี่มันกระจาเป็นก็ต้องไปพอดีหมดกรรมหมดเวรนั้นเราเอาญาญพิบาลเอามานอนตูงลงเพนเหล็ดทองเพนเหล็กแดงอีกซึ่งญาญพิบาลเอายสบรรทัดมาตี อยากให้มันซื่อมันตรงเป็นแนวสันเห็นได้ตาผมอันนี้เป็นภาพจิตตาไว้เพราะมันเห็นมาแต่นในน้อยพุกนี้ทากซื่อแล้วแบบนี้เอาไปโยนลงบนแล ก, กอีกตื้นตูนลงไปอีกตื้นจนหมดกรรมหมดเวรนันพุกนั้ น, นเฮามาปฏิบัตธิธรรมก็ต้องสํานึกอย่างสันขันถ้าเฮาอยากเป็นคนดีเรื่องนี้ขันอยากเป็นคนซั่วก็จาเป็นแล้วว่าบนนั้นจะเป็นสันดานของสัตว์ เป็นสันดานของผีเขาฟังศีละแก้ได้โน้ตของยังเสียขันถ้าเป็นคนจริงๆถ้าบนนีสันดานของสักตว์เอาสันดานของคนเข้าไปเอาสันดานของมนุษย์เข้าไปเอาสันดานของเทวดาเข้าไปเอาสันดานของพระอินทร์ครับผมเข้าไปที่สุดมันก็เป็นพระอริยบุคคลเป็นวะเขาให้ตามเพิ่นแล้วเดชอันนี้มันหน้าไหว้หลังหลอกบอดี เวลาการงานเราต้องการเป็นการงานเป็นงานเป็นเดี๋ยวนี้มันวิจักมีคนว่าจยงว่าปีนี้เขาพยายามฝึกเป็นจริงจริงจังๆ เ, เขาเข้าบรรดากมามก็หลายมือละเด้อเขาพยายามแต่งอันใดโบดีโบางามเขาพยายางแต่งให้มันดีให้มันเรียบร้อยถ้าห้างเขาปฏิบัติต่งทีคนทางอื่นมาเห็น เ, นเขาก็มาเบิง่ง เลูกมูก้เขาก็จะเห็นตัวพวกเขาคนใดเป็นยังใดคนใดเป็นยังไดเขาก็จะได้เห็นพวกเขาการนุง่งผ้าอย่าไปว่าให้การให้งานย่าไปว่าอันนั้นนุ่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนุ่งผ้าทาํา ง, นน ง, า, งานให้จังสั้นนุ่งผ้าทํางานยังสิบโมเมนต์ฮิมันผิดคําสอนของพระพุทธเจ้าให้มันคล า, ายคลายขึ้นกันนุ่งแบบเดียวกันงางแบบเดียวกันเป็นยังว่า รู้ตามเห็นตามเข้าใจตามคล า, ายคลายฝือกันเจ้าบุกคือแท้กับฮหนึ่งคลายคายฝืกกันข้อหาฝึกขัดได้อันนี้ฝึกขัดกายทำฝึกขัดลูกทำยิ่งว่าพระทำยอมรักษาผู้ประพฤติธทำรรไม่ให้ตกไปในที่ซ้วะเขาเป็นพระทำเนยบุตรจะเป็นผีรรทำเนยขันเป็นผีทำรรกระสันดานของผี พี่กับคนจึงว่ากันโบได้พี่กับปัดเดลซาจึงว่ากันโบได้เพราะมันรู้จักภาษากันเด้มันต้องรู้จักภาษากันที่ผมว่านีโบต้องไปเรียนภาษาอินเดียได้ดีนีว่าภาษาคนไทยด้ยเพราะผมเป็นคนไทยเดย้สูตรที่ผมเรียนมานี่ที่ผมรู้มานี่ก็บโต้องไปอิสระด้วยนะี่ะผมว่าภาษาไทยเท่ดินอัน บต้องแปลเป็นภาษาอินเดียได้พุนวานี่มันสำเร็จมาในตัวมันเองเลยจวมาสูรสำเร็จพุนวาอย่างั่งแค่ตำลาพุนวาจังแต่ใช้บุญจักผมเลิกละได้ข่มตัวรับรองได้จริงๆผมจึงสามาราสอนมาแล้วได้สามสิบ ป, ปีแล้วผมว่าจะยังสีผมไ่ว่าผมอื่นการงานนั้น ดีแต่ผมบอกว่าเอามาเป็นอาสีบวกเอามาเป็นอารมณ์ผมจีเอาอันนี้ผมจิว่าอันนี้เพราะว่าสิ่งนี้บ่มีคนพูดสึ่งนี้บ่มีคนเล่าสิ่งนี้บ่มีคนสอนผมว่านี่เราต้องสอนแบบนี้นี่หลักพระพุทธศาสนาสอนลัดธให้คนเอาพระธรรมไปใจให้คนเอานิพพานไป ทุกเก้าทีเดียวนิพพานนั้หมายถึงดับเพราะว่าตายแล้วเกิดก็ผิดตายแล้วศูญก็ผิดจะเอาสิใดมาเป็นนิพพานนั้นนิพพานก็คือความเย็นนั่นแหละนี่แหลวความสงบความสงบแต่ว่าหยุดหาครูบาอาจารย์หยุดหาวิธีทมเพราะเรารู้จริงเราได้ของจริงมันเป็นอย่างนั่นเนพจนว่าจชื่ว่า อดีตที่ผ่านไปแล้วแก้บอดาอนาคตที่ยังโบทันมาถึงกับแก้บดอดาเอาใจให้จังไดบน่นี่เอาอาดีตมาไว้ใกล้ๆ ก, กันเอาอนาคตอนาคตมาไว้ใกล้กันให้มันอยู่กับปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้แก้ได้บ่เดียวนั่นเป็นอย่างไรอันนี้ที่นํามาล้อยฟังพระทุกองค์เนนทุกองค์แม่ขาวแม่ดําทุกคน ถ้าจำแล้วทำอย่างนี้การปฏิบัติธรรมะทับนี้ควรเอาจิก้าวหนะ้าพ่อคนมาเห็นเนี่ยคนมาเห็นมานั่งมาว่ามาคุยกันยู่บ่เป็นธารมแล้วกุฏิเขาจิพยายามจัดการกันเข้าแทงน้ำนี่ผมก็อยากให้ยกกึ้นมันสูงเอาน้ำไปมันได้ไกลอ ย, อย่างแทงน้ำบ้านกุฏิอยู่ของเพนเพนสองแทงยกสูง เอาเสามาตั้งอยู่แทงอุตตรดินเพิ่มก่อนสองแทงยกสูงตั้งเหาเอาน้ําไปทางอื่นทางไกลได้ดิ่นเนี่ยหกแทงแล้วเนี่ยเหาแทงน้านี่กุ้มจีนแล้วเหาถ้าคนใดโบดีอยากให้หนีโอทอซึ่นแล้วผมัมนเตืองน้ําได้หี่เตืองไฟไต้เปตัวหนเตื่านอุตีกตัวหนึ่งมันมาทําให้มูเสียดิน่นคนระวังดีต่อมู่ คนหวังดีตัวมูต้องเสียสละ่ะเสียการเสียงานทาการทำงานทดแทนกันเป็นว่าอย่างสัน้นการปฏิบัติธรรมะก้าวหน้าก็ต้องเห็นเพื่อนทรามเราก็ต้องมีความละอายในใจขันเพื่อนทรามตัวอย่างนอนอยู่โอ้ยมันเป็นทีแล้วผู้อย่างสัน้นเลิกละจากผมตัวโบได้สันดานของสัตว์แล้วนั่นสันดานของผีแล้วนั่น คนว่ามันบม่รู้ภาษาแล้วผมว่านี่โบนเม้นบังคับผมว่านี่บนเม้นต่งเสริมว่าด้วยความวังดีว่าด้วยความผู้คนที่ตั้งใจอยากทำอยากเปลี่ยนแต่นิสัยเดิมสันดานของเขานิสัยเดิมเดินเมื่มันเป็นดังสันสันดานเดินเดินเมื่เป็นอางสัต้องแก้เอาตัวเองให้ผู้อื่นแก้ให้บอดถ้าพระพุทธเจ้าเองก็แก้ให้บอดายคนว่าอันนี้ เจ้คณะอาเภอเสียงคานวายูกฟังแต่ผมรู้จักหรอกว่าอข า, า, าขาตโลตถาคาตาพป็นพาคตเป็นแด่เพียงผู้บอกผู้แนะนำเท่านั้นการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นหน้าที่ของเธอเนผลที่ได้รับกับเธอได้รับเองาเปนนี่คนวายอย่างนัง้นอันนี้ผมว่าบบปินมีแต่ว่าให้รู้จักการรู้จักงานรู้จักนาทีถึงเวลาต้องตื่น ผมบอกไว้ตีสามตีซี่ลุกแล้วมาเดินจมกมรอบๆตลาเมือออ่อแรงเอามาเดินจมกมรอบๆตลาดหรือมืเสวยเอาจีนเดินจมกลมยืนหน้า ก, กุดก็ได้เรื่อมูอก็เดินเอาก็เดินกันนวลขันมู่เดินหับกันนั่งขุดคูอยู่ก็ผู้ปฐาเรียลผู้นี้คมไายในใจไดเนี่ยผู้นี้คมละอายและจีมัมนจินตตื้นตัได้บอกมันต้องสำนึกอยู่เสมอน ผู้เด่ลักตนโตเขาก็ต้องลักพระพุทธเจ้าพยายามให้พระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในตัวเขานี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์คนละต้องเขาลูกพระธรรมพระสงฆ์ทุกพระองค์ต้องประพฤติปฏิบัติตามคำแนะนําของพระธรรมในี่ยคน่าพระธรรมยอมรักษาผู้ประพฤติธรรมเนี่ยก็โตเฮานี่นะบ่เป็นพระธรรมโตเฮาทําดีก็เป็นพระธรรมสนวะ โตเฮาคิดนีก็เป็นพระธรรมชนวังโตเฮาว่าดีก็เป็นพระธรรมชนวังได้ยินรบบเอาพระธรรมที่ใดเหมาอีกหรือยิ่งเอาพระธรรมเข้าในหูจะโม้เขานี่ยพิจิเข้าได้บ่เ่ยวเข้าหูหูมันก็เข้าบ่ได้เ่้เาเข้าในลูกตานี่มันก็เข้าบ่ได้พระธรรมนั่นเจ้าคือโตขนทุกขนนั่นแหละทําการทํางานโดยโบ่มีทุกเพราะนั้นพระธรรมนิพพานนั่นแหละ คือทำการทำงานอยู่ด้วยควมไม่มี ท, มทุกพุทธจังว่าพระธรรมยอมรักษาผู้ประพฤติธรรมไม่ให้ตกปฏิทินตัวอันนี้พานนั่นคือควมดับดับให้มันได้แต่แทนผมรู้อันนี้แล้วผมจํานกบูุจิวาอย่างสิเรื่องให้ทานรักษาสิ่งจินเจนั่นดีแล้ว มันเป็นคําสอนของศาสนาดึกดําบรร์เก้าแก่มาเลยเขาสอนกันลับๆนีัน น, นี้เอื้อใจเดียวได้โหลดอันเรื่องเลิกกันอันเรื่องกลับจิตกลับใจนี่พราเขาฟังแล้วก็เลิกได้โลดได้ตอนปฏิบัติให้เขาสู้ําเร็จเกิดขึ้นนั่นแทอันมันต้องใส่เวลาต้องใส่เวลาคื อ, อยังผมว่านี่แหละคื อ, อยังอย่างพอวานเคสจังซีแล้วผมคํานวณไว้ พระพุทธเจ้าบอกไว้ผู้ที่เจริญสติปัฏฐานที่ให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่สัตวย่างงานเจ็ดปีย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่เม่อวันถึงเจ็ดวันมีอา น, นิสงส์สอประการนะคุนึ่งเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันศาสตร์นี้ถ้าหากเรได้เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันศาสตร์นี้นั้น ต้องเป็นพระอนาคามีแน่นอนที่สุดตระหนักอันนั้นบ่ ม, มีผู้แนะนำ ด, ด้วยศรัทธาเทอๆธอเนี่ยเพือมันมคนัวา้าสูรสำเร็จผมว่านี่มันมีผู้สอนมีผู้สอนจังหวะมีผู้สอนเทคนิคคนไกลมีคนรองให้ฟังอ้าวผมรับรอว่าสาปี ให้มันติดต่อกันจริงๆฝึกหัดตัวของเขาจริงๆมันจงนิ่มนว น, นวนลงไปเลยถึงโบถึงที่สุดแท้กับตัวรู้จักเพราะผมวาเล่ควมจริงมันเป็ น, นต้นตัวเขาจีจ้ไปหมดถ้ามีฝฟันเขาเนี่ยมันจะเลือดจีกลับคืนเข้าไปสู่สภาพมันหมดมันทีโบออกมาทักข้างนอกเนี่เมื่อจบหลักสูตรอันนี้อันนี้แบบคนวา คนเกิดมาร้อยวันพันปีหากบูฮุจักสภาพหรือภาวะอากาศเกิดดับอันนี้ชีวิตของคนนั่นก็เป็นหมันเป็นโมคะเป็นบวชมาร้อยพันสา ก, ก็ตามถ้าหากบูฮุจักอันนี้อานิี้ทรงการบวชของผู้หัน่นเก่เป็นโมคะบัมีอันนี้ทรงอันนี้บัดนี้คนเกิดมาเมื่อเดียวนึ่งบัดนี้ รู้เห็นอาการเกิดดับอันนี้มีค่ามีราคามากคนเกิดมาเมื่อเดียวมา่จี้ฟังเป็นเนี่ยมันก็กินเข้าวเปลยนนั่งกระบื่เป็นห้องตังแงกตังแงกอยู่ทีอันพวกเฮานี่แหละฟังเนี่ยพ่อวานี่แหละฟังเชื่อได้เราเข้าใจโรคนี่เปลีป่ยนแปลงได้มีอานี่ยส่มาคนรอดมาบัดนี้บวชมาแล้วก็มาฟังแล้วรู้จักสภาพภาวะอันนี้อาการเกิดดับอันนี้ มีอาเนส่งมากคนอย่างว่าตั้งใจฟังตั้งใจทํำย่าให้มันทอยหลังย่ามีการพูดการคุยกันมาไม่ออกก็ ค, กอออกกคือกันพอออกก็คือกันพระเอาคือการทุกองค์ถ้าหักเอาให้จังกี้แล้วทับมือขวรเอาจีคอยก้าวไปก้าวไปกันเป็นอัไรแล้วก็ใจทุกสิ่งทุกอย่าง พยายามช่วยกันแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่บอดีให้มันดีขึ้นทันมันดีแล้วมูท่านดีเองผมบ่ได้ดีเน้ดีจังไดเลยดีตั้งแต่ว่าผมว่าสิซื้อมูท่านเป็นคนดีเองมูท่านเองเป็นคนประกาศต่อไปถ้าพระพุทธตายแล้วก็มีสาวกประกาศมาเนี่ย วันนี้ผมตายแล้วก็รอมงดูไหว้สิเหล่ามึงดิผมว่าคนที่มีปัญญาขึ้นมาคนสร้างโบสถ์สร้างสิบหมดเงินเป็นล้านนี่ทำให้เป็นพระอริย บ, คบุคคลบได้ปีกายนี้เปิดอบรมนี่ ม, มีคนไปเล่าให้ผมฟังรู้จักโบไหว้ผีโบไหว้เทวดาสุดต้ดตนวบเสื่อเลือกงามยามดี ผูนั้นได้สูตรต น, ตนตนสำเร็จขึ้นมาจากยี่สิบกัาวหลบัดนี้กลางพัรษาพัรษานี้พัรษาที่แล้วนี่ก็มาเลาะเตาะแตะมันคงกับว่าได้คุ้มมาเพราะว่าการปลูกสร้างทำ ม, มาปีที่ผ่านปลูกสร้างขาดน้อยไปพันษานี้ต้องคุ้มกันจริงจงจังๆระยะสองเดือนก่วนต้องพยายามฝึกหัดดัดนิสัยตัวเอง ให้มันก้าวหน้าทุกคนการปฏิบัติมันจะไปเพ่งใหม่เพียงทําให้มันสบายสบายมองไปพุ่นมองมาที่ให้มันคิดอย่าไปห้ามความคิดมันยิ่งคิดเรายิ่งรู้มันยิ่งบุคิดมันก็ยิ่งโมรูแล้วคือนักโมยเขาเรียนโมยแก้งเหมือนจะไม่เคยไปซกในสนามจากเทธอเขาจชื่อไมจากว่าเขาเป็นแฉมเปี้ยนได้บอก ผู้คนผู้ที่ขาเจ้าโบาเคยไปเข้าดวงกึงงโบเคยไปโรงเรียนขาเจะเป็นแอดรถคันรถน็อตตัวใดเสียเอามึงไปแปลง Ad lot, แอดรถเล้วมันเข้าไปหมูนจำได้เลยผู้ไปเรียนจบสร้างคนออกมาแล้วบางทีขับรถยนต์โบเปลี่ยนซํ า, าก็มีวงลูกจัก น, อน็ตอตตัวนั้นตัว น, นี้ก็มีซ้ำแอดรถนี่มันเฮ็ซมือมันจับซมือมันก็เลยรู้จักขับรถยนต์ไป รู้จักจับน็อตตัวนั้นไส้ตัวนี้ได้มันเป็นบัดินนักมวยคือกันเรียนแล้วโบเคยขึ้นเวทีบาดี้บได้เป็นนักมวยดองขึ้นเวทีบ่อยๆซกบ่อยๆรู้จักจุตบนหั้นเขาซกมาอย่างตั้นรู้จักรับบนนี้แก้ไขเลยผลที่สุดคนเคยซกก็เลยชนะทุกพังกก็ได้เป็นแฟนเปี้ยนสนุ้ยยินมีเรื่องยังไง การปฏิบัติธรรมะของเขาก็เช่นเดียวกันขันท่าขึ้นขึ้นลงลงแพบ้างชนะบ้างโอ้ไม่ปเป็นทาแล้วอันนี้เดี๋ยตั้งเมื่อตั้งตัวตั้งต้นชีวิตใหม่กลับต้นชีวิตใหม่มาศึกษาเราเรียนสู้หลักหสูย้ยอ่ยอย่อสาเร็จรูปขึ้นมาเองเป็นอะกันเขาเอินสู้สําเร็จอันนี้สู้สูส้ดี มีแล้วในคนทุกคนโบนยกเวนจะถือศาสนาพุทธก็มีสูตรนี้จะถือศาสนาธิกก็มีสูตรอันนี้เป็นคนไทยเป็นคนจีนเป็นคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาก็มีสูตรสูตรดูเหมือนกันแต่ ค, คาพูดนั้นอาจจะไม่เหมือนกันที่ผมพูดนี่ผมเป็นคนไทยเ้่ยผมก็พูดภาษาไทยสนุ๊ แต่ผมพูดภาษาไทยบทเต้นพูดภาษาทีิได้พูดเต้นนี่เป็นว่าสุดสำเร็จมเมื่อสำเร็จแล้วก็ตอนลู้จักมียานเกิดขึ้นว่าศาสร์สิ้นแล้วพบสิ้นแล้วผมว่าจันยูตจบแล้วกิจอื่นไม่มีกิจการศึกษาหลักพระพุทธศาสนาจบนีนีเป็นอาันที่นำมาเราให้ฟังมือนี้ก็เห็นว่าสมควรเกเวลาแล้ว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 ให้พวกเราได้เจริญลอยตามอย่างที่พระพุทธเจ้าวานั้นทว่าตัดทั้งหลายคือเราตรถาคตตัดทั้งหลายเหมือนเราตราัดาคตตัดทั้งหลายเป็นตถาคตแต่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าเขาเป็นสาวกพุทธะเช่นว่าเขารู้ตามเห็นตามเข้าใจตามพระพุทธเจ้าเพราะที่สี่มีพระพุทธเจ้าคุนวานะ ทั้งหลายเราผู้เป็นตาถาคตไปถึงเรื่หงนั้นและจึงนมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายรอพฤติปฏิบัติตามย่างเราตาถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีย่างเราตาถาคตนี้เห็นเป็นมีเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระุ เป็นจริงแล้วอันนั่นแหละคุณว่าพระพุทธเจ้าคุณสอนเอาไว้ในนว่าสัตว์ทางลายคือเราตถาคตสัตว์ทางลายเหมือนเราตถาคตสัตว์ทางลายเป็นตถาคตบนนีเเ้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นสาวกพุทธเดินตามรอยของพระพุทธเจ้าคุนว่าสิเพราะที่สี่นี่คุว่า ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแรลงแห่งนั้นและจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามย่างเราตรถาคตนี้เขาจงให้ย่างพระพุทธเจ้านั้นบ่มากกันน้อยเขาเหดมากก็ดีแล้วก็าจะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีย่างเราตรถาคตนี้มีคือกันรู้คือกัน พระพุทธเจ้าถึงคนอินเดียว่าในอินเดียอันนี้ผมมันเป็นคนไทยเนี่ยคนบ้านบุโหงาคนอำเภอเชียงคานคนจังหวัดเลยเมื่อเมือ ง, อ ง, องลาวคนซ้าก็พูดภาษาอีสานไดน้ผมไม่ได้พูดภาษากลางไนดะ้แล้วก็ฟังได้คนภาคกลางก็ฟังได้คนภาคใต้ภาคเหนือก็ฟังได้แต่หากเอาบทํานานฟังกันฟังที่บทเห็นเพราะมันคนภาคกลางเป็นอย่างนึ่งฟัง เป็นอาษาโมด้เป็นภาษาบาลมบาลีบี่ยังรูเบื่องต้นนั้นเลิกละได้เรื่องเลือก ง, งามยามดีผีเทวดานี่มัดผมเครื่องรางของขังไส่หนังบังฟันนี่ผมมัดซิ่งเศพติดทุกประเภทผมเลิกได้มัดเด็ดขาดลยมาเดีย <c oughs> จนถึงทุกมือนี่รู้เรื่องต้นคันที่ส่องมาผม เรื่องโทสะโมหะโลภ ะ, ะนี่บางไปโลดทันทีเนี่ยคันที่ซีมาสูรมันเป็นมาที่เราให้ฝังสูตรสำเร็จนั่นควรยึดมั่นถือมั่นอุปทานต่างๆเนี่ยจางไปโลดคันคันต่อมากันรู้จักสิ่งลดเห็นสิ่งขันสมาธิขันปัญญาขันขันศาส์นี่เห็นมาโลดเป็น ล, ลักการู้จักสมถะกรรมฐ า, านไปอย่างสันนี่ศาสนามาจังสี่รู้จักจังสี่ชื่อผมนา ม, มาลอยให้ฟังเพวกเขาก็ต้องตั้งใจให้บรปปรลุปเป็นรูปเป็นลางขึ้นมาปัจจุบันท่านเป็นยังสี่หล่อเบืองขั้นต่อมาก็รู้จักว่าทําบาปทําบุญไปตกนรกยังไดไปขึ้นสวรรค์จังใดเนี่ยมันรู้จักมาอย่างสี่เป็นสู้เป็นสู้ ที่เป็นขั้นเป็นตอนมาตามตำรับตาราครู บ, บาอาจารย์พันวาไว้นั้นเป็นปฐมฌ า, าลมีองค์เทหันทุติยฌานมีองค์เท่านั้นตติยฌานมีองค์เท่านั่นจตุทัศน์ฌานมีองค์ท่านั้นปัญจมฌาลมีองค์ท่านั้ น, าานทุนองค์มีองค์ห้าองค์สององค์หนึ่งผมมันไปจำล็อกเรื่องกับาจเพราะว่าผ ม, มเครื่องกรองในตัวอยู่แล้ว พวกเขากันมีเมทุกคนท่าหากฝึกหัดเช่นกันนวผมว่ามันเป็นการสะดวกสบายต่อการปฏิบัติธรรมของขามาิจิเก้าหน้าขึ้นไปเป็นการเป็นการดำรงวงสกุลเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้าเจริญ ง, งอกงามขึ้นมาอย่างที่หาว่ากันซึมือ พระธรรมของพระศ า, าสดาสว่างเปียบืวงประทีบคอยจะจีมอดดูบัดนี้พวกเขามาทําลงเบื้งพระธรรมของพระศ า, า, สาสดาให้มันเป็นะเกียมเจ้าพอยุเพื่อให้เป็นหลอดไปฟฟ้า <c oughs> ให้มันมีคนระว่างขึ้นหลงเบื้องรูมันกี่เป็นทางใดอันนี้แหละมันเป็นของจริงที่ว่าเป็นปัจจัแท้เป็นของจริงแท้ เี้ยงแตกที่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปมนกาเป็นจังสันยูโบมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุนกเป็นจังตันยูเสเห่าหลงเหาเลยไปติดบุญซะไปติดพิธีซะศา ส, ะสะนาพิธีอย่างนั้นเนี่ย